สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบเฟเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบห้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในฮีบรูบทที่หกข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ไบรูบทที่หกข้อที่สี่จนถึงข้อที่เจ็ดเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้รถของประธานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขา มาสู่การกลับใจอีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ยด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับฝนอยู่เสมอก็เกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนาย่อยเกิดขึ้น ก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาปแล้วในที่สุดก็จะเผาไฟ <c oughs> พี่น้องครับผู้เขียนฮีบรูนั้นได้เกินไว้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สามเกินไว้ว่าคริสเตียนนั้นควรจะต้องก้าวสู่หลักธรรมเบื้องต้นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในหกเรื่องด้วยกันเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ หเรื่องนี้จะพูดจะย่อครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการกลับใจนะครับเรื่องที่สองก็คือความเชื่อในพระเจ้าเรื่องที่สามคือคําสอนเกี่ยวกับการบัพติศมาเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของการวางมือเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายเรื่องที่หก เป็นเรื่องของการพิพากษาลงโทษเป็นนิดพอมาถึงข้อที่สี่ข้อที่ห้าครับผู้เขียนพีฮีบรูนั้นได้เปลี่ยนไปพูดถึงกรณีที่ร้ายแรงที่สุดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ข้าพเจ้ายิ่งอยากจะขอแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องสภาวะที่อันตรายและร้ายแรงที่เคสเตียนั้นจะต้องระวัง เมื่อผมพูดคำว่าคริสเตียนนั้นก็หมายถึงคำที่ใช้เรียกคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์นะครับซึ่งรวมทั้งผู้ที่บังเกิดใหม่และอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่ที่นงครับทำไมผมต้องพูดคำนี้หรือใช้คำนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องสงสัยว่าคริสเตียนหรือที่เรียกว่าตัวเนึ่งคริสเตียน หรือลูกหลานคริสเตียนที่เข้าใจว่าตัวเองคริสเตียนนั้นบางคนครับอาจจะยังไม่บังเกิดใหม่ข้อพิพากษตอนนี้ได้พูดถึงคนที่ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าจึงทำให้เกิดความเชื่อที่บอกว่าใครก็ตามที่กลับใจใหม่แล้วเป็นคริสเตียนแล้วเขายังอาจจะสูญเสียความรอดของเขาไปได้ แท้จริงแล้วความเชื่อแบบนี้ครับเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกเพราะว่าเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วลราก็เราได้รับการบังเกิดใหม่เราได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์บังเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นของพระองค์อยู่บันอย่างถ้ำ เพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าด้วยเหตุ น, นี้เองใครก็ตามที่บังเกิดใหม่ครับใครก็ตามที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูครับใครก็ตามที่ยอมสา ร, รภาพบาปยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดและเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปคนเหล่านี้ครับได้รับความรอดแล้วมีชีวิตนิรันดร์แล้วและ บังเกิดใหม่แล้วได้รับการแบบมาด้วยพยระงิญาณบริสุทธิ์แล้วและเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงรอดและรอดนี้เป็นรอดตลอดไปและเป็นความมั่นคงในความรอดเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจครับหากเราได้ทำตามและต้อนรับและดำเนินการตามที่ผมบอกมาแล้วนะครับพี่น้องครับจงมั่นใจว่าเราได้รับความรอดแล้ว และจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องติดตามพระเยซูตลอดไปนะครับในส่วนที่เราจะต้องทำด้วยการเชื่อฟังในพระเจ้ามีความเชื่อมีความศรัทธามีความเชื่อฟังและมีความเชื่อไว้วางใจพี่น้องครับและเพื่อนพีตอนนี้พูดถึงใครผมอยากจะบอกว่าเพื่องพีตอนนี้ พูดถึงคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่แต่ได้เข้ามาในโบสถ์ได้มีปฏิสัมพันธ์และได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนที่เชื่อนะครับแล้วดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ครับพี่น้องครับโปรดจะไม่ว่าความรู้ไม่ได้ทําให้เรารอดนะครับความรู้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อระดับที่ต่ําที่สุดคือเชื่อเฉยๆเชื่อว่ามีพระเจ้าและเข้ามาอยู่ในโบสถ์ครับ เขาก็อาจจะสามารถถูกเรียกไปรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆได้แต่สุดท้ายครับเขายังไม่มีความรอดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถึงเวลามีปัญหาเขาเลือกที่จะหันหลังให้พระเยซูด้วยผลประโยชน์บางอย่างและด้วยความคาดหวังที่ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้เขาจึงทิ้งความจริงนี้ไปเสีย ที่น้องครับในพระเจ้านะของพระเจ้าบันทึกชัดเจนครับเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วคำว่ารับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วก็คือว่าได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพระกิติคุณครับได้ประสบการบางสิ่งบางอย่างที่เห็นถึงการอศัศจรรย์รู้อยู่ในใจอย่างชัดเจนว่ามีพระเจ้าแน่นอนและเขาจะต้องเชื่อพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ก้าวมาถึงจุดนี้พระพีณ บ, บอกต่อไปว่าได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ก็คือ ได้เห็นนะครับสิ่งอศัศจรรย์ซึ่งเป็นของประธานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในขณะนักันครับเขาอาจจะออกไปประกาศพระกิตติคุณได้เห็นหึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เห็นการอาศัศจรรย์ของการส่งนำของพระเจ้ามากมายแต่เขาเพียงแต่ได้รู้รดเท่านั้นเขายังไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับและในประโยคต่อไปว่าได้มีส่วในใพิ่มิยามบริสุดนั่นหมายความว่าได้เห็นกิจการของพระมญยามุริสุด นะครับในข้อต่อไปบอกว่าได้ชิมความดีงามแห่งโภจนะของพระเจ้ารู้ครับว่าคําสอนของพระเยซูเป็นยังไงนะครับได้พบเห็นว่าคําสอนนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นยังไงนะครับและได้เห็นวิเดษขององค์พระเจ้าที่ได้กระทําในชีวิตทั้งขิ้จักรทั้งคนที่ยังไม่เชื่อได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นความเชื่อที่น้องครับคนเหล่าเนี้ยคือใครในขี้จักรครับคนเหล่านี้ก็คือคนที่รับใช้พระเจ้าเข้มแข็งในขิ้จักรครับ เห็นไหมครับพี่น้องครับคนที่รับใช้พระเจ้าเข้มแข็งเนี่ยคือจากหรือบางคนเป็นมิชชจนนรียังไม่ได้บังเกิดใหม่ครับยังไม่ได้รับความรอดก็มีในกอดสารนะครับเราได้พบมิชชนรีที่ออกไปทำงานจากอังกฤษไปที่อเมริกานะครับในช่วงที่เขาเดินทางกลับอังกฤษเขากลับใจใหม่บนเรือพี่น้องครับเห็นไหมครับว่านี่เป็นตัวอย่างของคนที่ สัตซื่อที่เขาเล่าชีวิตของเขาให้ฟังครับเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในโบสนั้นเราไม่แน่ใจหรอกครับไม่มีใครร่วงรู้และแน่ใจได้ว่าใครบังเกิดใหม่แล้วโดยยางมีแต่มีแต่คนคนนั้นเจ้าตัวเองครับถึงจะรู้และในขณะเดียวกันผู้ที่รู้อีกท่านหนึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราถึง ท, ที่รู้คาถามก็เกิดขึ้นว่าแล้วเราจะทายังไงครับถึง เราจะรู้ว่าคนอื่นจะบังเกิดใหม่หรื อ, อยังคําตอบคือมีทางครับแต่ต้องใช้เวลาต้องดูที่ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพิสูจน์ได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะต้องกลับมาดูความจริงครับว่าเราเองนั้นบังเกิดใหม่จริงๆแล้วหรื อ, อยังหรือเราเพียงแต่เติบโตมาในโบสถ์หรือเราเพียงแต่มาติดตามพระเจ้าเข้าใกล้ชิม รู้มีส่วนบ้างแต่ไม่ได้ของจริงไม่ได้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตจริงๆงขอาการสำรวจที่เกิดขึ้นจะมาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน